คำนิคมท่านตั <y heit emen> ้งหลายนิทานข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปาราชิกสี่สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือสังฆาทิเศษสิบสามข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคืออนิยตสองสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือนิสักียปาจิตตีสามสิบสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปาจิตตีเก้าสิสิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปาติเทศนิยะสี่สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือเสกียะทั้งหลายข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคืออธิกรณะสมถะเจตข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วสิกขาบทของพระผู้มีพระภาคนั้นมีเท่านี้มาในสูตรนับเนื่องในสูตรมาสู่วาระที่จะพึงยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับทุกเกึองเดือน